วันนี้เป็นวันอังคารที่เจ็ตุลาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าสดเป็นวันปวารณาออกพรรษาคำว่าปวารณาและออกพรรษานี้เป็นสองเรื่องด้วยกันคือวันนี้เป็นวันออกพรรษาหมายถึงว่า เป็นวันสิ้นสุดของการอยู่จําพรรษาของพระภิกษุ <S <S <S ในช่วงระยะสามเดือนที่ผ่านมาพระภิกษุต้องอยู่ประจาที่ไม่ให้เดินทางไปไหนไปค้างแรมที่ไหน <S 2> <S 2> <S 2> ให้อยู่กับที่สามเดือนด้วยกันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จาพรรษาของปี 2568รเอาถึงเรียกว่าวันออกพรรษาแต่ยังออกไม่ได้ยังต้องอยู่ออกหนึ่งคืนหลังจากคืนนี้ไปแล้วพอวันลุงขึ้นก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ตามอัธยาศัยจะไปค้างแรมที่ไหนก็สามารถค้างได้ไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาค้างแรมณนะที่อยู่ที่จพาพรรษา นี่คือความหมายของคำว่าออกพรรษาส่วนคำว่าปารานานี้เป็นพิธีของพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาพบปะกันประชุมร่วมกันแล้วก็มาเปิดโอกาสให้พระภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยหรือเป็นพระผู้ใหญ่ พระทุกรูปมนี้ตั้งแต่พระเทระขึ้นมาล ง, ลงมาจนถึงพระที่อ่อนทันษาที่สุดก็จะปะวารณาตัวเองคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้พระภิกษุทุกลุ่จะ ต, ต้องยินดีรับฟังคำว่ากล่าวตักเตือนด้วยธรรมคำว่าด้วยธรรมก็คือ ด้วยความถูกต้องไม่ใช่ด้วยคำกล่าวร้ายป้ายสีแต่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงยินดีที่จะรับฟังความเป็นจริงของตนเองซึ่งตนเองอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือมองไม่เห็นจะมีการกล่าวว่าข้าพเจ้าขอเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ว่ากล่าวเติบตักเตือนข้าพเจ้าได้ ถ้าหถ้าหากว่าท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีที่จะรับคำว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปรวาณาตัวต่อพระสงฆ์ ให้ว่ากล่าวตัดเตือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าพระพุทธเจ้าทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของนักปราชญ์ของคนฉลาดของคนฉลาดที่พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของตอนเองที่ตนเองอาจจะไม่รู้หรือคิดว่าคิดว่าไม่ผิดก็ได้ แต่ในสายตาของผู้ก็อาจจะเห็นว่าผิดก็ได้ท่านบอกว่าการรับคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้ น, นี้เป็นเหมือนกับการรับการชีข้ขุมทรัพย์ของผู้ผู้ น, นี้เขาอาจจะมองเห็นความบกพร่องของเราที่เราอาจจะมองไม่เห็นการ ชีโทษของผู้นี่เป็นเหมือนกับการดูกระจกสองเนาเวลาที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมแต่งหน้าทาปากเราจำเป็นที่จะต้องมีกระจกสองหน้าเพื่อให้ดูว่าเราได้ทำเรียบร้อยหรือไม่ได้หวีผ้าหวีผมเรียบร้อยหรือไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาให้สอาดหรือไม่อย่างไร ถ้าเราไม่มีกระจกส่องหน้าเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราหน้าตาเราเป็นอย่างไรก็ได้ดงนั้นผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราที่บางทีเราไม่สามารถที่จะเห็นหน้าของตัวเราเองได้เราต้องอาศัยกระจกเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นการกระทำที่ไม่ถูกไม่ดีไม่กลรของเราเองก็ได้เพราะความหลงของเรา อาจจะทำให้เราคิดว่าเป็นการกระทาที่เหมาะสมเป็นการกระทาที่ถูกต้องก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะให้ไม่มีใครเขารังเกียจเราอยากจะให้คนที่เขามีศรัทธาในตัวเรามีศรัทธาในตัวเราต่อไปมีความรักในตัวเรา ให้มีความรักในตัวเราต่อไปเราก็ต้องยินดีกับการว่ากล่าวตักเตือนของผู้ให้มองว่าเขากําลังให้ประโยชน์กับเราชี้คุ้มรัพย์ให้กับเราเพราะว่าสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องนี่ถ้าเรารู้ว่ามไม่ถูกต้องแล้วเราแก้ไขดัดแปลงให้มันถูกต้องเราก็จะ เป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่น่าศรัทธาน่ารักน่าเลื่อมใสเพราะไม่มีข้อบอกพร่องอย่างไรเพราะข้อบอกพร่องที่เราถูกมีคนบอกเราเราก็เอาไปแก้ไขเสียสิ่งใดที่มันไม่ถูกเราก็ไปทำให้มันถูกเสียแล้วต่อไปตัวเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีที่งาม ใครเห็นใครก็จะมีความเรื่องสายศรัทธามีความรักความชอบในตัวเรานี่คือหลักการของการว่ากล่าวตักเตือนกันและกันเพื่อที่จะรักษาความเรียบร้อยความสวยงามของพระภิกษุผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ที่มีความ วัฟเ ท, ที่ดีที่งามที่เรียบร้อยที่น่าคารพนับถือจะเป็นการช่วยรักษาพระาศาสนาให้ยั่งยืนคงทนอยู่ไปได้นานๆสร้างศรัทธาให้กับผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดขึ้นรักษาศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาให้คงอยู่ต่อไป น, นี่ก็คือความหมายของคําว่าปวารณาการการเปิดโอกาสให้ผู้ได้ว่ากล่าวตัดเตือนตนเองเป็นการกระทําของนักปราศนักปราศจะไม่สะทกสะท้านกับการว่ากล่าวตำหนิติเตียนของผู้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามถ้าสิ่งที่เขาว่าไม่จริง ก็คิดเสียว่าเขาตาบอดหรือตาเขามัวตาเขามองไม่เห็นมองไม่ชัดเขาเห็นเาอาจจะเห็นสิ่งที่ถูกว่าเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ mm hmm. เราก็ไม่ถือโทษกดเคืองเขา mm hmm. เวลาใครก็มาว่าเราในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริง mm hmm. เราก็รับฟังเฉยๆไปเราดูความจริงเป็นหลัก mm hmm. ถ้าสิ่งที่เขาว่าเป็นความจริง ถ้าเราเขาว่าเราไม่ดีเราเรามองแล้วเราก็เห็นว่าเราไม่ดีตามที่เขาว่าเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาช่วยบอกเราเขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราที่จะบอกเราว่าหน้าเรายังเปื้อนอยู่นะยังมีขี้ตาอยู่มีน้ำมูกอยู่ให้เช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยถ้าเป็นความจริง เราก็ต้องขอบอกขอบใจเขาขอบคุณเขาในความปรารถนาดีของเขาที่จะช่วยเราให้เราทำตัวของเราให้เราเป็นคนที่ดีแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราก็รับฟังไว้เฉยๆแล้วก็ล้วก็พิจารณาไปว่าตาเขาไม่ดี หรือเขาอาจจะมีเจตนาที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้คนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เมื่อเขาไม่ชอบเราเขาก็อาจจะว่าเราต่างๆนาน า, นาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเป็นความเป็นจริงเมื่อมันไม่เป็นความจริงเราก็อย่าไปเดือดร้อนเรารักษาตัวเราให้ดีไว้ก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นความจริง เราประพฤติไม่ดีเรากระทำสิ่งที่ไม่ดีเขาเห็นว่าเราจะทำร้ายตัวเราเองถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆผลเสียหายนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราเขาก็มาช่วยว่ากล่าวตักเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ไม่ดีถ้าเราพิจารณาตามเห็นเขาว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เป็นความจริง เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเสียเช่นถ้าเราดื่มสุรายามเมา <c oughs> <c oughs> เขาก็มาเตือนเราบอกว่าการดื่มสุรายามเมานี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะเวลาดื่มสุราแล้วจะทำให้เรานี่ไม่มีสติยับยั้งช่างตวงความคิดของเราการกระทำของเราการพูดของเรา ซึ่งเราก็า จ, จะไปคิดในทางที่ไม่ดีพูดในเรื่องที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่คือเรื่องของหลักการของชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเราเปิดใจให้กว้างอย่าไปกลัวคาว่ากล่าวตำในติเตียนของผู้อื่นเราอยู่ในโลกของ โลกธรรมที่มีทั้งสรรเสริญและมีนินทาเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้โลกนี้พูดแต่สิ่งที่สรรเสริญเยืนย่อเราเพียงอย่างเดียวเราจะต้องคงจะต้องได้ยินได้ฟังคำนินทาของผู้อื่นบ้างเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยปัญญาฟังให้เกิดประโยชน์กับเรา อย่าฟังแล้วให้เกิดโทษกับเราฟังให้เกิดโทษก็คือฟังแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนี้เป็นโทษกับจิตยยใจของเราเวลาเราโกรธแล้วจะทำให้ใจเราไม่มีความสุขจะทำให้ใจเราทุกข์่ะทำให้เราวุ่นวายใจไม่มีความสุขใจนั้น er เราอย่าฟังแล้วเกิดความโกรธ ถ, ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็นความจริงเราต้องขอบคุณเขาถ้าเรายังทําในสิ่งที่ไม่ดีอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าไม่ดีพอเขาบอกว่าไม่ดีแล้วเขาที่สาเหตุว่าทําแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาเราก็ต้องขอบใจเขาขอบคุณเขาแต่ถ้าเขาพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเราต้องสงสารเขาว่าเขาคงจะมีอคติกับเรา เขาคงจะไม่ชอบเราหรือเขาคงจะเกลียดเราหรือเขาอาจจะไม่รู้ความจริงก็ได้คนบางคนยังไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ได้อาจจะเห็นผิดเป็นชอบก็ได้ <c oughs> ก็อย่าไปถือสาปล่อยเขาพูดไปเราอยู่ในโลกของสารเสริญนินทาเป็นธรรมดาพรเจ้าบอกว่ามีสารเสริอย่อมมีนินทา เป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ทุกคนสรรเสริ ญ, ญยืนยอเราพูดแต่เรื่องดีๆให้เราฟังเพียงอย่างเดียวเขาก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีให้เราได้ยินได้ฟังบ้างเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างสาระของการฟังก็คือฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่าฟังแล้วทำให้เกิดโทษกับตัวเรา ฟังแล้วเกิดความโกรธเกิดความเสียใจอันนี้เป็นการฟังแบบทำไม่เกิดโทษกับตัวเราเราต้องฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราคือฟังแล้วได้ความรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเราที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้การกระทำที่ไม่ถูกของเราก็ได้เมือมม่อเขาบอกเราด้วยเหตุด้วยผล แล้วเราแก้ไขดัดแปลงทําให้มันถูกเสียประโยชน์ก็จะเกิดกับตัวเราไม่ได้เกิดกับเขาผู้บอกเรานี่คือลักษณะของการฟังไม่ว่าจะฟังใครพูดก็ตามจะเป็นพระพูดก็ดีเป็นคารวะพูดก็ดีแม้แต่สุนัขเห่าก็ดีเขาก็อาจจะมีเจตนาที่ดีกับเราก็ได้ สุนัขบางทีเขาเห่าเพื่อบอกเราว่ากำลังมีคนแปลกหน้าเข้ามานะเขาจะมาขโมยของที่บ้านเราเราก็ต้องขอบใจสุนัขว่าเป็นสุนัขที่ดีที่ไม่ขี้เกียจไม่เอาแต่กินแต่นอนอยังช่วยดูช่วยเฝ้าบ้านให้เราถึงแม้จะเห่าแล้วทำให้เราที่กำลังหลับอยู่แสนจะสบายต้องตื่นขึ้นมาในกลางดึกเราก็อย่าไปโกรธสุนัข สุนักเขาก็คงจะมีความปรารถนาดีกับเราต้องการที่จะเตือนเราบอกเราว่ากำลังมีภัยอันตรายเข้ามา mm. เช่นอาจจะมีไฟกาลังไหม้ขึ้นมาก็ได้ในยามเด็กเรานอนหลับล้วอาจจะไม่รู้เรื่องว่าไฟกำลังติดขึ้นมาแต่สุนัขนี่เขามีกลิ่นที่เขาดมกลิ่นได้ดีกับเราพอเขารู้ว่ามีอะไรไม่แปลกไม่ ป, ปกติเขาก็จะเริ่มเหา่า แล้วเขาก็จะปลูกเราขึ้นมาพอาปลูกเราขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่ากาลังมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเราจะได้มีเวลาที่จะหนีออกจากพื้นที่อันตรายได้นี่ก็คือความหมายของการภาวนาตัวไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นคารวะก็ดีถ้าสามารถภาวนาตัวเองได้นี้ผู้ภาวนาตัวเองนี่แหละจะได้รับประโยชน์ ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดทั้งในการฟังเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่จริงและเรื่องที่ไม่จริงขอให้เราฟังด้วยปัญญาหรือฟังด้วยการลมาสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการลมาสูตรว่าเวลามีใครเขามาพูดอะไรให้เราฟังเนี่เราอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาทันทีแต่อย่าไปปฏิเสธทันทีต้องรอให้เราพิสูจน์ สิ่งที่เาพูดได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าเราได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเราก็คอยเชื่อเราก็ถึงจะเชื่อเขาได้แต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ต้องไปเชื่อเขาหรือว่าถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ต้องฟังหูไว้หูรอให้เราเวลาเวลาพิสูจน์สิ่งเหล่า น, นี้ขึ้นมาก่อน เหมือนคำโบราณที่มีพูดไว้ว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มามเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน<ม>คนเรล่านี้เวลาคบกันใหม่ๆนี้เราไม่รู้ความเป็นจริงของเขาว่าเขาดีหรือไม่อย่างไรเพราะส่วนใหญ่เวลาพบกันใหม่ๆนี้เรามักจะเอาด้านที่ดีของเราออกมาเสนอ<ม>แต่ด้านที่ไม่ดีเราก็พยายามปกปิดเอาไว้เก็บเอาไว้ แต่ถ้ารู้จักกันไปเรื่อยๆรู้จักกันไปนานๆร่วมทำกิจกรรมอะไรต่างๆใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ช้าก็เร็วส่วนที่ไม่ดีของเขาก็อาจจะปรากฏขึ้นมาก็ได้ถ้าเขามีส่วนที่ไม่ดีแต่ถ้าเขามีแต่ส่วนที่ดีอยู่กับเขามานานเท่าไหร่ก็มีแต่ส่วนที่ดีไม่มีส่วนที่ไม่ดีเลยอันนี้เราก็จะเชื่อเขาได้ว่าเขาเป็นคนดี อย่าไปเชื่อแบบหลงงมงายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วต่อมามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเป็นจริงเปิดโปรงความเป็นจริงของบุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาทำสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเหมือนกับการจัดฉากของเขาเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงเวลาที่เรามองเราไม่ได้มองเห็นเขานี่ เขาอาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งก็ได้งนั้นอย่าไปเชื่อใครร้อยปอร์ซ็นตอย่าไปปฏิเสธร้อยเปอร์เซนเอาแค่ห้าสิบห้าสิบเผื่อเอาไว้เผื่อถูกหลอกไม่ใช่อะไรพอเราเตรียมตัวที่จะถูกหลอกแล้วเวลาถูกหลอกเราจะไม่เสียใจเพราะเรารู้ทันเราจะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะเราจะไม่พังเผอไม่ไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามา ตากตวงผลประโยชน์หรือทำร้ายเราได้อย่างเต็มที่เขาอาจจะทำได้บ้างแต่ยัไม่สามารถทำให้เราถึงกับเสียหลักเสียสติไปได้แต่ถ้าเราเชื่อเขาแบบร0ออร์เซเวลาที่เวลาที่มีการเปิดโปงขึ้นมาว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจะทำให้เราเสียอกเสียใจมากนี่คือการฟังในพระพุทธศาสนา ให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาด้วยสติอย่าฟังด้วยอารมณ์ถ้าชอบใครก็มักจะเชื่อเขาร้อยเอร์ซ็นตถ้าเกลียดใครก็มักจะไม่เชื่อเขาร้อยเปอร์ซนทั้งทงที่คนที่เราเกลียดเขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้าอาจจะมีเรื่องดีๆบอกเราก็ได้สาหรับส่วนคนที่เรารักเราชอบนี่เขาอาจจะไม่มีความหวังดีกับเราก็ได้ อาจจะมีความปรารถนาไม่ดีกับเราเขาเอาความความรักความชอบของเราไม่เป็นเครื่องมือมาหลอกลวงเราก็ได้คนส่วนใหญ่เวลาถูกหลอกลวงนี่ก็ถูกลองลวงเพราะว่าเขาทําตัวให้เราลักเราชอบเขานั่นเองเวลาเจอใครใหม่ๆนี่ถ้าเขาจะหลอกลวงเรานี่เขาจะทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําอะไรให้เราตายใจ ว่าเราว่าเขาเป็นคนดีเขามีความปรารถนาดีกับเราแล้วต่อมาเขาก็จะเริ่มหาวิธีหลอกลอก่อเอาประโยชน์จากเราไปที่เราเล็กเี่ะน้อยดฉะนั้นอย่าอย่าดูแต่เฉพาะลักษณะรูปร่างหรือการแสดงเพียงอย่างเดียวต้องรอพิสูจน์ด้วยเวลาด้วยเวลาถ้าเรารู้จักกันเป็นนา น, าน okay. เราก็จะเริ่มรู้จักเขาได้ดีขึ้นมากขึ้นวิธีที่เขาบอกว่าอยากจะพิสูจน์ว่าคนที่เข า, ากเราชอบเราจริงหรือไม่เขาบอกว่าให้เราไปขึ้นภูกระดึงกันให้เดินภูขึ้นภูกระดึงกันไปต่อสู้กับความทุกข์ยากลาบากเราดูซิว่าเขายังจะดีกับเรายังจะช่วยเหลือเราหรือว่าเขาจะช่วยตัวเขาก่อนเขาจะดูแลตัวเขาก่อน โบราณเขาถึงบอกว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเรานี้ถ้านู้จักกันใหม่ๆมักจะมีแต่สิ่งที่ดีต่อกันแต่พออยู่พออยู่ไปนานๆแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆ อ, ออกมาทีละเล็กทีละน้อยสมัยก่อนเขาถึงนิยมที่จะทําพิธีมั่นกันไว้ก่อนเขาไม่ให้แต่งงานกันเลยไม่ใช่เจอกันวันนี้พวกนี้ขอแต่งงานกันลนะ ถ้าอยากจะคิดว่าจะอยู่ร่วมกันไปจนมันตายราอยสักปีหนึ่งก็คงไม่เป็นไรมีไว้มั่นกันสักปีหนึ่งก่อนมาทำความรู้จักกันเท่าเล็กเท่าน้อยก่อนไปทำกิจกรรมร่วมกันเทีาเล็กเท่าน้อยก่อนให้ให้ดูว่านิสัยใจคอของเขาเป็นอย่างอย่างไรเป็นอย่างที่เขาเป็นเหมือนกับตอนที่เรารู้จักเขาใหม่ๆหรือไม่ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างจะได้ศึกษาได้รู้ ได้เรียนรู้ความจริงของกันและการถ้าเป็นของดีแล้วก็มันก็จะต้องทนต่อการพิสูจน์ถ้าดีมันก็ต้องดีต้นดีปลายถ้าดีต้นแล้วไม่ดีปลายก็แสดงว่ายังไม่ดีเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังจะได้ไม่ถูกหลอกทุกวันนี้คนเราถูกหลอกกันง่ายมีข่าวหลอกกันอยู่เรื่อยๆผ่านทางเนี่ยทางมือถือเนี่ยทาง มีเรื่องหลอกล่อเราว่ากดอันนี้แล้วจะได้เงินทันทีนี่คนที่ไม่คิดอะไรก็รีบกดทันทีแล้วก็คนที่จะได้เงินก็ไม่ใช่เราคือคนที่เขาให้เรากดเนี่ยเขาจะหลอกเอาเงินเราไปยันต้องรอบครอบอย่าโลภความโลภนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเสียท่าถ้าเราไม่โลภเราไม่ต้องการอะไรจากขาเขาแล้วต่อให้เขาเอาเอาเอาเอ า, เอาเงินร้อยล้านพันล้านมาตั้งอยู่ที่หน้าเราเราก็ไม่เอา เเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆคนที่เราไม่รู้จักยาม เ, เงินมากองให้กับเราโดยที่เขาไม่หวังอะไรเป็นสิ่งรากเปลี่ยน yeah. Yeah. ส่วนใหญ่เขาเอามาหลอกมาล่อเราเอาทองมาตั้งไว้ต่อหน้าเรา <Yeah. S 1> ความจริงก็เป็นทองเก <laughs> <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของการปรวานาตัวที่จะมีเกิดขึ้นในวันนี้ทุกวันในในประเทศไทยและต่างประเทศถ้ามีพระอยู่ร่วมกัน มากกว่าสีู่ปขึ้นไปก็จะต้องมาลงที่พระอุโบสถแล้วมีการกระทําปวานาตนเป็นการเปิดโอกาสให้ช่วยเหลือกันว่ากล่าวตักเตือนกันเพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนี่นี่ก็คือเรื่องของการปรวานาการออกพรรษาก็อย่างที่พูดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา พรุ่งนี้ก็สามารถที่จะไปค้างแรมที่อื่นได้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้จนกว่าจะถึงวันเข้าพรรษาของปีต่อไปในปีหน้าและช่วงที่ออกพรรษานี้ก็จะมีเวลาหนึ่งเดือนที่เรียกว่าเป็นเวลาของการถวายผ้ากรถิน<ม>การถวายผ้ากรถินนี้จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปใครอยากจะถวายผ้ากรถินให้กับวัดใดก็สามารถถวายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน<ม>คือตั้งแต่วันแรม แรมหนึ่งค่ำคือวันพรุ่งนี้เดือนสิบเ็ดจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเดือนสิบสองที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงนี่เป็นระยะเวลา1่งเดือนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้พระภิกษุรับผ้ากระถินจากศรัท ธ, ธาญาติโยมได้แต่ผ้ากระถินนี้แต่ละวัดนี้จะรับได้เป็นเพียงครั้งเดีย ว, วรับผ้า วัดที่จะรับผ้ากรถินได้จะต้องมีพระอยู่จำบรรษาอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถึงจะสามารถรับผ้ากรถินได้ผ้ากรถิ่นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผ้าสมัยนั้นสมัยยุคแรกๆนี้ขาดแคลนคือพระสมัยยุคแรกๆนี้ไม่มีใครถวายผ้าให้กับพระเวลาบวชจะต้องไปหาผ้าที่เขาใช้ห่อศพทิ้งไว้ในป่าช้าที่เรียกว่าผ้าป่า ผ้าบางสกุลยุคแรกๆไม่มีการถวายผ้าให้พระภิกษุเอามาตัดเย็บลรืหรือผ้าที่ตัดเย็บมาอย่างสำเร็จรูปเหมือนสมัยนี้พระภิกษุที่จะต้องการผ้าจะต้องไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าที่เขาห่อสดเอาไว้พอสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาหรูปฝังเวลาคนตายเขาก็เอาผ้าขาวนี่มาห่อสดแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให ให้นั่งกายเน่าเปื่อยเน่าเน่าเปื่อยไปจนกระทั่งแห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกพอพอแห้งกรอบแล้วผ้านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรนักบวชในสมัยนั้นถ้าต้องการผ้าหม่มเอามาทําห่มจีวรก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมให้เป็นผ้าผ้าหม่มผ้านุ่งเป็นต้นแต่ต่อมา พอศาสนาเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองมีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นผ้าในป่าช้าก็ไม่พอใช้เพราะมีคนมาบวชมากขึ้นผ้าภิกษุที่มาบวชเลยมีผ้าไม่พอเพียงพระพุทธเจ้าเห็นความขาดแคลนของผ้าจึงบอกให้ญาติโยมถวายผ้ากรถินให้ถวายผ้าขาวแล้วให้ผ้าเขานําเอาไปตัดเย็บของเขาเองเขาต้องการผ้าแบบไหนเพราะมีผ้าสามชิ้นด้วยกันผ้านุ่งผ้าห่ม แล้วก็ผ้าห่มกันหนาวถ้าพระท่านขาดผ้าชิ้นไหนท่านก็จะเปลี่ยนเอาชิ้นนั้นมาตัดทดเฉยชิ้นที่มันขาดไปอัน น, นี้ก็คือที่มาของผ้ากะถินผ้ากะถิ่นนี้ก็คือผ้าขาวนี่เองผ้าขาวที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บเป็นธรรมเนียมของพระที่จะตัดเย็บผ้าของตนเองเมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อมด้วยสีกล<ม>คือสีที่ ได้มาจากการเอาแก่นไม้มาต้มแล้วก็ย้อมสีสีแก่นไม้นั้นเราเรียกว่าเป็นสีกลับ mm hmm. จะถวายผ้ากระถินี้ถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะว่าพอเพียงต่อความต้องการของผ้าภิกษุ mm hmm. นี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในวันนี้น mm hmm. เรื่องของการวันสุดท้ายของการอยู่จำบรรษา เรื่องของการปรวารณาของพระภิกษุที่อยู่ร่วมกันให้เปิดโอกาสให้ว่าเก่าวตักเตือนกันได้แล้วหลังจากนั้นพ อ, อ, อจากพรรษาแล้วก็จะเป็นช่วงวิช่วงช่วงเวลาที่จะมีการถวายผ้ากรถิ่กันนี่ก็คือเรื่องราวสาหรับวันนี้ที่เอามาฝากท่านตามเวลาที่ได้กําหนดไว้คือจะแสดงทำประมาณ30สินาทีด้วยกันซึ่งก็ ได้กับได้เวลาประมาณ30นาทีพอดีแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมเป็นขั้นที่สองคือเราจะมานั่งสมาธิทางใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เลิศที่ประเสริฐความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราได้เข้าถึงความสุ ข, ขนี้แล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจเราจะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ พาเราไปหาความสุขต่างๆต่อไปเวลาร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเราจะตายเรายังสามารถหาความสุขได้มีความสุขได้เพราะความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้ใจของเราสงบให้มีความสุขนี้คือสติเราต้องมาเจริญสติกันเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งกัน ต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนท่านสอนให้เราจเจริญสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับกำว่าสติก็คือการระลึกรู้ใ ห, ให้ใช้สติระลึกให้ใจบังคับใจให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดใจก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็จะไม่มีความสงบไม่มีความสุข ยิ่งคิดก็ยิ่งหิวเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็ อ, อยากจะกินคิดถึงอาหารก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มแล้วพอไม่ได้ดื่มก็จะวุ่นวายก็จะทุกข์ใจ Sign. จะเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ความโลภความอยากต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อความโลภความโกรธความอยากต่างๆเกิด ข, ขึ้นมาไม่ได้ใจก็สงบใจก็เกิดความสุขขึข้นมา เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาไม่หิวกับอะไรนี่แหละคืออ น, นิสงส์หรือประโยชน์ของการนั่งสมาธินั่งเพื่อทําใจของเราให้อิ่มให้สุขให้สบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะเจ็บจะไข้หรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ว่าอะไรกับอะไรต่างๆที่มากระทบใจเราคนนั้นคนนี้มา พูดไม่ดีกับเราทำร้ายเราหรือทำอะไรกับเราใจเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสมาธิใจเราวางเฉยได้ปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจนี่คือประโยชน์ของการนั่งสมาธิที่เราควรที่จะมาหัดนั่งกันให้ได้จะนั่งได้ต้องมีสติก่อนจึงต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเช่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เราก็เริ่มเจริญสติได้เลย ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธถ้าเราสามารถปูกใจให้อยู่กับพุทธโธได้ใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะว่างจะเบาจะเย็นทั้งๆ ท, ง ท, งที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเพราะยังไม่ได้หยุดคิดโดยโดยเต็มที่แต่คิดน้อยลงความคิดจะน้อยลงถ้าเรามีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับพุทธโธนะพุทธโธไปเรื่อย หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้พุดโธก็ใช้ดูเฝ้าดูร่างกายของเราว่าตอนนี้ร่างกายของเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็เฝ้าดูการเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนก็ให้ดูว่ากําลังยืนกําลังนั่งนนกําลังนอนกําลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารกําลังทําอะไรให้อยู่กับการกระทําเหล่านั้นเมื่อผูกใจไว้กับร่างกายได้ใจก็ไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะว่างจะเบาจะเย็น ถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่แต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความฟุ้งซ่านต่างๆจะไม่เกิดถ้าเราสามารถคุมใจได้ด้วยสติในระดับนี้เวลาเรามานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างง่ายนั่งได้อย่างสบายเพราะใจจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติไว้ล่วงหน้าก่อนพอเวลาเรามานั่งเรากำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอจะมานั่งจะให้มันหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดไม่ได้ใจมันจะฟุ้งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กว่าจะนั่งให้มันหายฟุ้งได้ก็หมดเวลาสาหรับการนั่งละนั่งทีไรก็เลยไม่ถึงขีดที่จะทำให้ใจสงบให้นิง่งให้เกิดความสุขขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามันฝึกสติอยู่เรื่อยๆทั้งวันเราสามารถทำได้ทุกในทุกกิริยาบุตรทุกสถานที่ทุกเวลาแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราทำได้เราคิดว่าเราจะต้องมาอยู่คนเดียวมานั่งเฉยๆเราถึงจะเจริญสติได้ คาจริงเราจเจริญสติได้ตั้งแต่เราเตื่นขึ้นมาเลยนพยายามฝึกสติตั้งแต่ตอนที่เราเตื่นขึ้นมาทำอะไรก็ให้มีพุโทโธอยู่กับใจหรือให้มีร่างกายที่กำลังทำอะไรอยู่นี้อยู่กับใจไปเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามานั่งสมาธิเราก็ผูกใจไว้กับอารมณ์ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ใช้พุโทโธต่อก็ได้ถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกอารมณ์ เราก็เปลี่ยนมาดูที่ลมหายใจเข้าออกแทนดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยๆว่าลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวก็ให้รู้ว่าสั้นหรือยาวไม่ต้องไปบังคับให้สั้นหรือยาวหรือบางท่านจะดูที่หน้าท้องก็ได้ที่เรียกว่าวิธียุบหน่อพองหน่อเวลาลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมออก <S <S ท้องก็ยุบเข้าไปก็รู้ให้รู้เฉยๆรู้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่ง แล้วถ้ามีอะไรมาปรากฏในขณะที่เรานั่งจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามอย่าไปสนใจมันเป็นภาพหลอนภาพหลอก ภ, ภาพที่จะมาหลอกล่อให้เราไม่ได้อยู่กับการดูลมหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธเราต้องพยายามเกาะติดอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวใจถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้เมือใจ อยู่กับลมแล้วอยู่พูดทัไปเดียวใจก็จะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแล้วก็เหลือแต่ความสงบนิ่งเบาเย็ยนสบายมีแต่ความว่างแต่เป็นความว่างที่มาสจท้านใจไม่ใช่เป็นความว่างแบบว้าเวแต่เป็นความว่างแบบตื้นตันใจเป็นความว่างที่สุขใจอย่างยิ่งอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิ เราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เห็นความว่างให้เห็นความสุขที่ได้จากความสงบและได้มีโอเบขาคือใจวางเฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะทำได้ก็ต้องมีสติกำกับใจอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา อตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบหรไหมสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งอยากให้มันสงบแบบวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบเพราะความอยากถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากพอ ให้ไปฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีพุโทโธอยู่กับใจด้วยดูเฝ้าดูร่างกายอย่าสนใจไปคิดเรื่องต่างๆแล้วต่อไปเวลามานั่งก็จะได้นั่งได้ง่ายสงบได้เร็วแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุร า, ปาริปุเรนติสาขหลัง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 มาเตภวตวันตระยอสุขิติขายุโกผวะอภิวาทนศีลิศนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลัง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 สอง้แปดสิบหกท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติหนึ่งร้อยแปดสิบท่านทาง YouTube ดรัตตวีแปดิบท่านทางวิทยุออนไลน์สิบหกท่านทางขับเฮาส์หท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิสอง้อยห้าท่านรวมทั้งหมดเจ็ด้อยเก้าสิบท่านครับ านารธมมส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติฝากเข้ามาสามคำถามเจ้าค่ะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมโยมถึงเป็นทุกข์มากกับการแยกจากคนที่โยมรักมาเป็นเวลาสี่ปีแล้วโยมก็ยังคิดถึงและทุกข์มากเจ้าค่ะเพรารักมากรักมากก็อยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆพอเขาไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับเราเราก็เลยทุกข์ เรายังอยากให้เขาอยู่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยาไปอยากให้เขาอยู่เขาไปแล้วอยากยังไงเขาก็ไม่กลับมามถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็ใช้สติหยุดไว้ให้พุทธโธพุทธโธเวลาคิดถึงเขาก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทน<ม>แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไม่ได้คิดถึงเขาพอไม่คิดถึงเขาความอยากให้เขากลับมาก็จะหายไปแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปสก<ม>าย ทำยังไงถึงจะลืมอดีตได้เจ้าค่ะก็ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเวลาคิดถึงอดีตก็ใช้พุทโธนึงกลับมาให้อยู่ที่ปัจจุบันเจ้าค่ะข้อที่สามถ้าไมจิตใจถึงได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็คิดทําสิ่งดีๆเดี๋ยวก็เลิกลมที่จะทําเจ้าค่ะก็เป็นธรรมชาติของจิตใจเป็นอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยที่ดึงไปดึงมา มีกรรมดีกรรมไม่ดีดึงเราไปกรรมดีก็ดึงให้เรามาคิดถึงเรื่องดีๆกรรมไม่ดีก็จะดึงให้เราไปคิดถึงเรื่องไม่ดีจิตใจเราก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราต้องฝึกสติควบคุมใจต่อไปเราจะสามารถทําให้ใจอยู่ภายใต้คําสั่งของเราได้เชิญกล่าวนามสการพระอาจารย์นะคะ <c oughs> หนูมีคําถามจากการปฏิบัติอ่ะคะ่ะก็คือเนื่องจากครั้งก่อนที่ดูเคย การเรียนพระอาจารย์ว่าหนูเคยได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิอะค่ะคือซึ่งมันผ่านมานานเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่ามันติดอยู่ในใจหนูตลอดเวลาเลยอะค่ะแบบว่าหนูคิดถึงแทบจะทุกวันเลยอะค่ะเลยทำให้แบบบางทีก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราเคยได้รับความสุขแบบที่มันมหัศจรรย์ใจขนาดนั้นเลยทำให้เราแบบไม่สงบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไเลยอ๋อไม่หรอกมันเป็นความคิดที่ดี เป็นความคิดที่จะทำให้เรากลับไปหามันอีกเพียแต่ว่าเรายังไม่มีความไม่มีเวลาที่จะไปหามันมันเลยทำให้เราไม่มีความสุขเพราะว่าความอยากไปหาเขากับยังไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้ดังนั้นตอนนี้เราต้องระงับความอยากไว้ก่อนตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งอยากไปรอเวลารอจังหวะร อ, อการเหมือนรารอไฟแดงเงนี้ นั่งรถนี้ถ้าเราใจเย็นๆรอไฟแดงไปให้มันเปลี่ยนเป็นขาวเราก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้ามันไฟแดงแเราอยากจะไปอยากจะไปเงี้ยมันก็จะรู้สึกวุ่นวายอย่าความอยากความคิดที่ความคิดดีความคิดถึงความสงบดีความอยากไปหาความสงบก็ดีแต่ต้องมีเวลาของมันถ้าอยากไปแล้วยังไปไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนไว้เราให้ไฟเขียวกันพอไฟเขียวปับ๊บไปได้ก็เหยียบ ขันเร่งให้เต็มที่ไปเลยแล้วการที่เราคิดถึงความสุขนั้นแบบแทบทุกวันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีไหมอะค ะ, อะของดีเราชอบอันไหนเรวก็คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอกล <c oughs> ัวแบบเ้ยเรายัางทำไม่ได้เราเดยได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันแบ บ, บนัน่นสิดีเพราะมันจะทำให้เรามุ่งไปหามันต่อไปไงตอนนี้เรายังไปไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าตอนเด็กๆ ก, ก็เคยเจ อ, อความสงบแต่ตอนนั้นท่านก็ยังไปไหนไม่ได้ ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของพ่ออยู่แต่พออายุมากแล้วอายุยี่สิบเก้ามีลูกแล้วมีภรรยาแล้วอนนั้นก็ตัดสินใจเองได้ท่านก็เลยท่านก็เลยไปท่านก็เลยหนีไปแล้วความรู้สึกอะค่ะที่หนูบอกว่ามันผ่านมาเป็นปีแต่ว่าในใจของหนูเหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานอันนี้คือถูกต้องไหมคะหรือว่าหนูมัวแต่ติดกับมันจนทําให้มัน เหมือนมันเพิ่งเกิดเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนนี้เองค่ะความรู้สึในใจมันไม่มีเมื่อวานและพรุ่งนี้แหละมันเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเราคิดถึงมันแล้วมันก็เราคิดในปัจจุบันเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันประทับใจมันเลยฝังอยู่ในใจเราได้นานเท่านั้นเองค่ะแล้วอย่างเวลาที่หนูนั่งสมาธิตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะบางทีที่หนูรู้สึกว่ามันสงบแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเข้าผวังคือ ตัดความวุ่นวายทางโลกออกไปสงบอยู่ในสมาธิแต่มันไม่เกิดความสุขแบบมหัศจรรย์ใจเหมือนแบบครั้งนั้นที่หนูนั่งอะคะ่ะอันนี้ก็คือหนูยังต้องฝึกสติเพิ่มใช่ไหมคะใช่มันยังลงไปไม่ลึกพออ๋อแม้ว่าจะสงบเหมือนอยู่ในพวัง ม, มันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วแต่ยังไม่ไม่สงบเต็มร้อยเลยไม่เกิดเป็นความแบบสุขมหัศจรรย์เหมือนคราบุญ ม, มากอะไรขนาดนั้นต่อไปมันอาจจะไม่รู้สึกมหัศจรรย์เหมือนครั้งแรกก็ได้ เพราะว่ามันเคยชินแล้วแต่มันก็จะมีความสุขไม่ต้องไปให้มัน ม, มหัศจรรย์ใจทุกครั้งไปสรือแค่อยากให้มันสงบตอนนี้ยังยากเลยค่ ะ, ะถ้าขอให้มันสงบแล้วมีความสุขใจก็ใช่ได้แล้วก็อย่างบางทียะค่ะหนูยังอยู่ทางโลกะคะ่ะมันก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาประมาณว่าแบบ ที่บ้านเราก็แบบไม่ได้รวยพ่อแม่เราก็ยังเออทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบทำงานช่วยเหลือพ่อแม่แต่อีกใจนึงมันก็คิดว่าเราก็จะวุ่นวายเราก็จะไม่เจอความสุขจากความสงบแบบนี้อีกไม่มีเวลาทางธรรมอะค่ะหนูก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าหนูจะไปทางไหนดีอะค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วก็พอมีช่องทางที่ดีแล้ว เ, เราค่อยไป อันนี้เรายังไปไม่ได้เราก็ทําหน้าที่ของเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราไม่รู้เลยเหตุการณ์เราจะเกิดขึ้นเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพอทําการของเราเตรียมพร้อมก็แล้วกันพร้อมที่จะไปเมื่อรถเมื่อขับไฟเขียวปั๊บก็ไปเลยแต่เนี้ยังติดไฟแดงอยู่ก็อยู่กับไฟแดงไปก่อนก็อย่างแบบไม่ต้องไปทุกไปกังวลว่าจะเลือกทางไหนไม่ต้องเลือกอะตอนนี้ทําทําในส่วนที่เราทําได้มีเวลาว่างเราก็ไปนั่งสมาธิของเรา ไม่ใช่ว่าต้องทิ้งมันเลยเราไม่ได้ทำงานทั้งวันย4ิบสี่ชั่วโมงเราก็มีเวลาว่างมีวันหยุดอย่างเนี้ยตอนนี้เราวันหยุดแล้วก็มาเข้าวัดของาวันสักครั้งก็ยังดีมาคอยหล่อเลี้ยงจิตใจให้มันมีความสงบไว้อย่าทิ้งมันเลยอย่าไปทุ่มเทกับการทำงานจนกระทั่งลืมการปฏิบัติเวลามีเวลาว่างเราปลีกตัวเราได้เราก็มาถ้าปลีกไม่ได้เราก็ไม่ต้องมา จะได้ไม่ทรมานใจที่ทรมานใจคือความอยากจะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้แต่เราต้องรู้ความจริงว่าตอนนี้เราทำอะไรได้เราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งไหนที่เรายังทำไม่ได้อย่าไปอยากทำเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มันจะทำให้ใจเราเครียดวุ่นวายไปเปล่าๆเหมือนตอนนี้รู้ว่าไฟแดงมันวิ่งไม่ได้หรอวิ่งไปเดวก็ชนกันตายก็ต้องรอให้ไฟเขียวก่อน อีกคราวทามสุดท้ายค่ะยังเวลาที่หนูมาปฏิบัติธรรมถือศีลทิวะค่ะหนูจะรู้สึกว่าแบบตัวเรามีคุณค่าค่ะหนูเลยไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนี่ยมันเป็นความหลงหรือเปล่าอะค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณค่าเราคุณค่าจากอะไรถ้าเราตัวเรามีคุณค่าเพราะเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราได้มันก็เป็นความจริงก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าไปคิดว่าเรามีคุณค่ามีคา่าราคาเป็นร้อยล้านใครต้องการตัวเราต้องจ่ายร้อยล้านถ้าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของความหลงอ๋อใช่อย่างถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้ว ร, รู้สึกว่าเรามีค่านี้ก็คือไม่ใช่ชีวิตของเรามี <ๆ S 1> คุณค่าขึ้นเมื่อก่อนเราเห็นว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าเลยเพราะไม่มีความสุขเลยแต่พอตอนนี้เราได้พบธรรมะแล้วธรรมะให้ความสุขกับเรา <S <S เราก็จะเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วว่าชีวิตเรานี้มีคุณค่ามาก ตามความเป็นจริงว่าจะด้วยความสุขถ้ายิ่งสุขมากยิ่งเห็นชีวิตของเรามีความมีคุณค่ามากถ้ายิ่งทุกมาก ย, ยิ่งเห็นว่าความชีวิตของเรานี้ไม่มีความสุขไม่มีไม่มีคุณค่าเลยมีแต่โทษดูตามความเป็นจริงอย่าไปดูตามความคิดที่หลอกเราโอ้ฉันสวยฉันถ้าท่านประกวดฉันจะต้องได้รางวัลที่หนึ่งอะอันนี้มันเป็นของที่เราคิดไปเอง ทางที่ดีก็อย่าไปคิดมันดีกว่าคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้ว่างจะดีกว่าคำถามฝากถามจากพี่อ้อมนะคะขอเกาศหล่มห่อเมตตาค่ะการที่เรามีอารมณ์ดีใจก็หัวเราะกับเรื่องเศร้าใจเราก็ร้องไห้ เพราะไม่มีกําลังอุเบกขาในใจใช่ไหมคะถึงไม่สามารถวางใจสักแต่ว่าได้ใช่เจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราหัวราะแล้วก็โหัวเรอะด้วยการณ์ที่ทําให้เราร้องไห้เราก็ร้องไห้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วก็เฉยๆได้ฝึกสมาธิทําใจให้นิ่งแล้วก็จะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้เจ้าค่ะจากข้อความทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะลักษณะโมหะลักษณะของอวิชชา และลักษณะของอวิชชามีฉุดต่างกันอย่างไรครับเราสามารถใช้การดูอวิชชาทำให้วิปัสสนาได้ไหมครับอวิชชากับโมหะเป็นมีความหมายตัวเดียวกันคือความไม่รู้ความจริงความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างเงี้ยแมวไม่ต้องมตถ้าเห็นแมวเป็นแมวก็แสดงว่าเห็นเห็นเห็นความจริงไม่หลง แต่ถ้าเห็นเห็นสุนัขเป็นแมวนี่สแสดงว่าเราหลงเท่านั้นเองต้องพยายามมองให้เห็นความจริงความจริงที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเห็นกันก็คือให้เห็นอันนี้จรงเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เราที่เราไปเห็นว่ามันเที่ยงความจริงมันไม่เที่ยงมันอาจจะมันยังไม่ปรากฏความไม่เที่ยงให้เราเห็นตอนนี้แต่ต่อไปข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา ต้องต้ออย่าไปหลงเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่อยู่อย่า ง, ย, างยั่งยืนถาวรและไม่มีอะไรที่เป็นของเราที่เราจะสามารถเก็บเอาไว้หรือควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปได้ตลอดเวลาวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียเข้าไปเจ้าค่ะสักคุณใบยกลุกนั่งสมาธิจนเหลือแต่แค่ตัวรู้จิตควรอยู่กับตัวรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ เพราะมีแว็บหนึ่งจิตไม่อยู่กับตัวรู้แต่ลูกดึงกลับลูกเข้าใจว่าตัวรู้กับจิตคนละส่วนกันใช่หรือไม่อย่างไรเจ้าค้าชี้แนะลูกด้วยเจ้าคะ่ะอ๋อให้อยู่กับกรรมฐานอย่าไปอยู่กับตัวรู้ถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวตัวรู้ก็จะหายไปต้องให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ลมก็ให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆแล้วตัวรู้มันก็จะผล่ขึ้นมา พอไปดูตัวรู้ปั๊บเดี๋ยวตัวรูปมันก็จะหายไปเพราะเรามันด้อยู่กับกรรมฐานฉะนั้นอยู่กับกรรมฐานให้มีสติรู้อยู่กับกรรมฐานเจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะทำไมครูบาอาจารย์สายวัดป่าเสมยก่อนท่านถึงมีสุขภาพดี อายุยืนทั้งทงที่ท่านฉันมือเดียวและอยู่ในป่าในเขาอาหารดูว่าจะไม่มีโปรตีนเพียงพอตามความต้องการทางการแพทย์สมัยนี้เจ้าค่ะก็ความหลงของเราไงไปคิดว่าคนอยู่ในป่าในเขาเขาจะต้องอายุสั้นความจริงไปอยู่ในป่าในเขานี่อายุยืนกว่าเพราะอยู่ที่มันปลอดภัยกว่าอยู่ในเมืองนี่มันอันตรายกว่าเยอะ เดี๋ยวโดนรถชนตายบ้างเดี๋ยวโดนเขายิงตายบ้างอยู่ในป่าในเขานี่แทบจะไม่ค่อยมีภัยเลยหรือแม้จะมีสิงสารสัตว์สิงสารสัตว์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่มายุ่งกับเราเจ้าค่ะจากทาง Facebook เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแม่ป่วยติดเตียงอยู่ตอนนี้อาการซุดมากๆค่ะเห็นท่านแล้วทรมานมากค่ะตอนนี้สวดมนต์นั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกวันอธิษฐานว่ายายท่านเจ็บปวดสามารถช่วยได้ไหมคะอย่าไปอยากอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงท่านจะเจ็บก็ปล่อยท่านเจ็บไปท่านจะหายก็ปล่อยให้หายไปท่านจะตายก็ปล่อยให้ท่านตายไปเราทําอะไรไม่ได้เป็นอ น, นัตตาเร้าคาะจากทาง Facebook อยากถามว่าพยายามนั่งสมาธิแต่ใจไม่สงบจะทําอย่างไรดีคะ พยายามนั่งต่อไปหรือจะทำอย่างไรดีคะต้องมีสติถ้านั่งไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปทำอย่างอื่นถ้าเวลานั่งสมาธิให้ทำอยู่ที่พุโทโธหรืออยู่ที่ลมหายใจเจ้าค่ะจากทาง YouTube เจ้าค่ะกราบเรียนถามครับเมื่อปฏิบัติจิตเข้าถึงอุเบกขาได้บ่อย จะทําให้จิตใจเป็นกลางและปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เคยยึดติดเมื่อไม่ยึดติดขัน5ก็จะไม่มีอํานาจในการปรุงแต่งจิตทําให้จิตสงบและหลุดพ้นจากกิเลสใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องเห็นว่าขัน5เป็นเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยขันหไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับขันห เจ้าค่ะจากทางยูทูบค่ะขอถามว่านั่งหรือเดินต้องวางฐานจิตไว้ที่หน้าผากหรือสะดือไหมคะเพราะจิตไม่มีรูปร่างถ้าปล่อยให้มันกระจายสติจะไหลจะไหลไปตามความคิดนะคะกราบขอบพระคุณพระเจา้าอยู่กับพุโทโธอยู่กับพุโทโธถ้ายืน่นีอนั่งนี่อยู่กับพุโทโธอถ้าเดินอยากจะเปลี่ยนมาดูที่เท้าก็ได้ถ้านั่ง ไม่ใช้พุโทโธก็ต้องเปลี่ยนมาดูลมแทนต้องมีอะไรให้ใจดูอย่านั่งเฉยเฉยอย่าอย่าไปผูกใจไว้ตรงหน้าผากหรือตรงนู้นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นความเป็นจริงมันเป็นความจินตนาการของเราให้อยู่กับความเป็นจริงเช่นลมนี่เป็นของจริงเราผูกใจให้อยู่กับลมหรือถ้าเราเดินล้วก็ผูกใจให้อยู่กับเท้าเท้าซ้ายเท้าวขวาไปแล้วใจมันก็จะดิ้นไปที่อื่นไม่ได้ จากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการถ้าเดินจงกรมโดยใช้กำหนดย่างหนอสามสิบนาทีต่อด้วยนั่งสวดพุทธคุณอิติปิโสภะควาทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ทำอย่างไรได้ก็ทำไปก่อนจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบเรียนถามว่าการทำสมาธิต้องให้จิตสงบถึงชั้นไหนถึงจะมาพิจารณากายครับ ออต้องได้อุเบกขาคือฌานสีแล้ว<ม>ขณะที่ได้ฌานสี่ก็ไม่ให้คิดอะไรให้เราออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาคิดจะค่ะจาก Facebook ขอสอบถามค่ะพระอาจารหนูเป็นโรคจิตเวทอยากนั่งสมาธิแต่พอนั่งแล้วมักฝันร้ายทรมานค่ะทำได้แค่สวดบนขาดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี้ค่ะ อ, อ๋อการนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้เราฝันร้าย การที่เราฝันร้ายเกิดจากบาปที่เราทํามาในอดีตแอนพยายามลดการกระทําบาปให้น้อยลงพยายามทําบุญให้มากขึ้นแล้วฝันร้ายมันก็จะน้อยลงไปแล้วหมดไปได้เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอยุติการสนทนาทำไว้เพียงเท่านี้